กับเรียนถามต่อแล้วเจ้าคะว่าแล้วคนที่มีอาการจิตแช่จะทราบได้ยังไงเจ้าคะว่าว่าตัวเองคือแช่โอ้ยเดี๋ยวก็ป่วยแล้วเดี๋ยวก็ป่วยก็รู้เองแนมป่วยป่วยเดี๋ยวก็ป่วยแล้วเนี่ยอาการล้องป่วยจิตแช่เท่าที่เราสังเกตที่จะโลกที่จะตามมาคือมีอาการนี่แน่เราหดขาวจางไม่หรืดขาวจางลหาางหลกุมแพน้ำมูกไหล อ, อ, อ่อนก็คือน้ำมูกไหล มัน เ, เริ่มเริ่มโรคุู ม, มแท้เป็นหวัดประจําแล้วก็ข อ, อขอบตาเนี่ยแดงขอบตาข้างในเนี่ยแดงแล้คันตาแล้วก็ลินเป็นฝ้าขาวกินข้าวไม่ได้ท้องอืดท้องอืดแล้วก็ในผิวหนังเนี่ยบางทีเป็นผื่นเป็นโรคคันโดยไม่ทราบสาเหตุโรคคันโนดยไม่ทราบสาเหตุเ น, นี่ยพวกเนี้ยออย่างอื่นก็ ยังไม่ชัดแล้วก็สารเคมีถ้าไปตรวจสารเคมีในร่างกายจะจะสารเคมีจะยุบไปอย่างรวดเร็วหายไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนี่มาจากแช่อาการแชร่แต่มันมีอาการที่แช่บวกกดจิตอีกนี่อีกอานันอีกอาการที่แช่บวกกับกดจิตบวกกับเพียรแล้วสะกดเอาไว้มีเรื่องอะไรในใจที่ไม่ได้อย่างใจไว้อันนี้ก็จะออกออกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันออกกึงแช่แล้วก็กึ่งดันด้วยพวกนี้โรคที่ตามมาคือ อ่าเป็นโรคเหล่านี้ให้เนี่ยให้รู้เลยว่ามาากกันจะจิตที่ต้องิดเอมานจะจิตที่ผิดปกติต้องแก้ไขทางจิตกินยาอย่างเดียวไปเหตุแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอกีกคือโรคไมเกรนปวดหัวข้างเดียวโรคบ้านหมุนนะ่ะโรคบ้านหมุนรู้จักไหมโรคบ้านหมุนน่ะโรคบ้านหมุนเนี่ยโรคบ้านหมุนโรคบ้านหมุนเวลาเราไปหาหมอก็จะให้ยาอะไรไปกินนะไหม ย, ยาคล้ยเครียดจับยา น, นอนหลับนอนหลับไปฮะหมอเราเครียดข้าไหนถึงรึมันกดจิตไว้ สะกดจิตไว้บวกกัดแช่แล้วไม่ได้อย่างใจแล้วก็สะกดนิียเงียบโดยเฉพาะทะเลาะกับสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วก็กับลูกเนี่ยทะเลาะกันแล้วไม่ได้อย่างใจอึดกดไว้แล้วกลายเปโลกบ้านหมุนบ้านหมุนแล้วก็แช่แช่บวกกัดแช่แต่เมื่อคืนที่เป็นอยู่คนหนึ่งไอ้เจ้านั่นมานั่งอยู่นเนี่ยบ้านหมุนเป็นโลกบ้านหมุนมาสามรอบที่มไม่มาเอ้าใครเอ้าอยู่ดีอยู่ดีอยู่นี่อยู่ดนี่ บ้านบ้านหมุนสมรอบอันนี้ไปหมุนตามจิตข้างในอันนี้แปลกคือไปหมุนตามจิตข้างในเ อ, อเห็นดูเอ๊ยจิตข้างในมันหมุนเว่ยแล้วมันหมุนตามจิตข้างในเออพวกนี้ใครได้ไรสมาธิหมุนสมาธิมาหมุนตั้งไปฟังอะไรสมาธิหมุนอะไรมดแ้วไปหมุนหมุหมุนมุนข้างในเลยเวียนหัวบ้านไปกระแตเวียนโลกบ้านอันนี้ก็แก้โดยการให้เข้าถึงใจที่ไม่เคลื่อนที่ก็หายแอ่อพวกที่ กดจิตจนนิ่งเฉยแล้วแช่ด้วยพวกนี้ก็โรคบ้านหมุนอันนี้ก็ก็ให้เลิกกดจิตอยู่หนซะให้หาอะไรผ่อนคลายมามาทําซะแล้วก็จะหายพวกนี้จะหายได้ไอพวกกดจิตพวกนี้มันก็โรคอีตามหมือนคล้ายๆกันกับแช่มันกันถ้ากดจิตบวกกึงแช่ด้วยท้องจะอืดลรือเป็นฝ่าเผาเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวน้ำในหูไม่เท่ากันบางทีมัน จิตก็มีนะเกิดจากการฝึกจิตเราเครียดอยากมันอยากให้ได้อย่างใจแล้วมันไม่เป็นอย่างใจลุกก็้าไปทุกทีลุกเข้าไปทุกทีแต่มันไม่ได้อย่างใจเลยเครียดมากเลยเครียดข้างในเลยไปโรคบ้านหมุเลยเนีอันนี้ก็คือมาจากการที่ถ้าแก้ไขทางจิตก็หายกินยาไม่หาย ห, ายหรอกกินยาก็แก้บรรเทาไปเขาจะให้ยายาคลายเครียดกับยานอนหลับแต่แกอกเขาไม่เชื่อเราเราบอกเขาเกาไม่เชื่อเขาไปโรงพยาบาลใหญ่ในกงเทพนี่ไปหาหมอสองครั้งยาหมดก็ไปหาหมออีก ที่ขี้เกียจแล้วจะไปเข้าควิวก็เลยเอาอยาเนี่ยไปซื้อที่ร้านเป็นร้านร้านขายยาเภสัตอะไปถามเภษัชไปถามหาเภสัชก็เอาอยาให้เภสัชดูบอกว่าอยากอยากได้ยาแบบเนี้ยเอาเภสัชก็เลยถามว่าป้าป้ า, ป, าป้าเป็นโรคเครียดเหรอเนี่ยอา้าวไม่ใช่ป้าเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันแคลเซียมเกาะกระดูขอขอขอดี่ในหูอะไรเนี่ยจานองเนี้ย ไม่ใช่ป้ายาเนี่ยของป้าเนี่ยยาตัวหนึ่งเนี่ยมันยากแก้เครียดอยากใครทุกขใครเครียดอยากใครทุกขใครเครียดอยากแก้เครียดอีกตัวหนึ่งอ่ะมันยานอนหลับโดนหมอใช้จิตวิทยาหลอกมาซะแล้วกลับมาเอายาคว่างทิ้งหายเลยพอรู้ว่ายาที่กินนี่คือยาเหมือนกับที่ไปหายเพื่อลดจิตเวย ขวางยาพิงหายเลยตั้งแต่นั้นนหะเราบอกแล้วไม่เชื่อหวนป่วยทางจิตคือทำจิตผิดแต่ถ้ารู้เป็นไรก็แก้ได้แก้ไม่อยากถ้าไม่รู้สาเหตุอว้ยกินยาตายการนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเรารู้จักคนที่มีลักษณะอย่างแช่อย่างนี้เจ้าค่ะคือไม่มีโอกาสที่จะมากราบ ขอพอเดินคำแนะนําจากหวงตาได้จะมีวิธีที่เราพอจะช่วยคนใกล้ตัวที่มีอาการแช่แบบนี้ได้ไหมเจ้าคะเราจำเป็นมีโอกาสมหาเราไม่ไหวหรอกเราก็ช่วยเหลือไม่ไหวคนทั้งโลกเราเลยไปกีดเลยพูดออกไาไปไงเนี่ยเดี๋ยวก็อัดเทปเดี๋ยวอาจจะไปตัดต่อเพื่อเพื่อคุณคนทั้งโลกก็คือว่าให้อธิษฐานเนี่ยเรืถึงว่าพุทธคุณทำคุณตระคุณด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงเรืถึงโอตคุณทำคุณตระคุณพระคุณบิดามารดาพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ และบุญบรารมีที่เราทําอะไรทั้งหมดเนี่ยเอาอาธิษฐานจิตขอให้ธาตุทุกธาขันทุกทนขนัขนหรือว่าสสารพลังงานในและความว่างในร่างกายเรามีสสารก็คือร่างกายพลังงานก็คือจิตใจที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็แล้วก็ความว่างก็คือจิตเดิมแท้หรือใจแท้แท้ที่เป็นความว่างอธิษฐานจิตให้ธาตุทุก่าขันทุกทนขนัขนธ า, น ท, านทุกธาตุก็คือธาตุดินน้าลมไฟแล้วก็ธาตุรู้ที่ว่างเปล่าหรือว่าขันทุกขันก็คือขันห้าลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือสสารพลังงานความว่างสสารก็คือร่างกายพลังงานก็คือจิตใจส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็วิญญาณฐานก็คือการรับรู้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็เกิดดับเป็นพลังงานทึ้งได้เกิดดับเป็นพลังงานแล้วก็จิตเดิมแท้หรือวิญญาณที่มาเกิดเป็นความว่างอธิษฐานใหนสสารพลังงานและความว่างมันเป็นสมดุลกันมันไม่สมดุลถ้ามันสมดุลเป็นปกติตาธรรมชาติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฐานท้ำๆซๆๆก็หายได้ด้วยอํานาจศรัทธาแล้วก็อํานาจของจิตที่มันคงเป็นสมาธิ ก็จะหายได้นะกลับคืนได้